ในอัตถกาก็อธิบายค่อนข้างกว้างขวางมากนะครับในสูตรนี้นะครับจะอธิบายโดยลำดับบทต่อไปในบทว่าโลกนะครับโลเกเนี่ยนะครับโลกนี่ปกติแล้วมีสามนะครับคือสัตวโลกสังขารโลกและโอกาสโลกนะครับทีนี้ในโลกทั้งสานั้นนะครับมูสัตว์ทั้งหลายที่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยสา ม, มารถแห่งการสืบต่อ แห่งรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมชื่อว่าสัตวโลกนะครับคือหมายถึงอินทรีย์ที่สืบเนื่องกันถ้าอินทรีย์ที่เป็นรูปอย่างเดียวนะครับสืบเนื่องกันนี่หมายถึงอสัญยสัตว์อินทรีย์ที่มีแต่น า, นามล้วนๆสืบเนื่องกันอันนี้ก็เรียกว่าอารูป ป, ปรมหรือแม้กระทั่งอินทรีย์ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นอรูปสืบเนื่องกันอย่างนี้ก็ได้แก่ในปัญจโวการภูมินะครับสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าสัตวโลก โลกที่แยกประเภทออกเป็นนะครับพื้นดินเป็นภูเขาเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าโอกาสโลกขันทั้งหลายในโลกทั้งสองนี้ชื่อว่าสังขารโลกนะครับขันที่เป็นไปในขันเนี่ยนะครับตัวสภาวะธรรมนะครับที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกที่อยู่ในโอกาสโลกอนะสภาวะธรรมหรือขันทั้งหลายเหล่านั้นแหละชื่อว่าสังขารโลกนะครับคือหมายถึงที่เราสำนวนเรียกว่าหมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตนะ ในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าจิตเจตสิกรูปอะที่มีอยู่ในสัตว์ที่มีอยู่ในโอกาสอันนั้นแหละชื่อว่าสังขารโลกครลลับประมวลมเน้นที่สภาวะนะครับคือเน้นไปที่เอางี้นะคำว่าสัตว์เน้นสิ่งมีชีวิตนะครับโอกาสโลกหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตทีนี้ไอไสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอันนั้นแหละเรียกว่าสังขารโลกนะครับทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิต ครับผมทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตนะแต่ไม้เป็นที่เป็นขันนะั่นนะที่เป็นสภาว ะ, ระครับที่เรียกว่าประมัดทั้งหลายนะนะั่นแหละในโลกทั้งสามนั้นพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาพประสงค์เอาสัตววัโลกเพราะฉะนั้นบทว่าโลกเกจึงได้แก่สัตววัโลกแม้ในโลกเหล่านั้นบุคคลสามประเภทไม่อุบัติในเทวโลกไม่อุบัติในพรหมโลกแต่อุบัติในมนุษยโลกนะครับ คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้านี้จะอุบัติอุบัติเฉพาะในมนุษย์โลกถึงในมนุษย์โลกก็ไม่อุบัติในจักรวาลอื่นจะอุบัติในจักรวาล น, นี้เท่านั้นถึงในจักรวาล น, นี้ก็ไม่อุบัติทั่วไปพระธถามโคดจ้านั้นจะอุบัติในมัชิมะประเทศที่มีอาณาเขตยาวสามร้อยชยธกว้าง250รยห้โยชนะครับรอบด้านก็900โยชยธที่กําหนดว่าอย่างนี้คือในทิศตะวันออกนะครับ ทิศบุรพานั้นมีนิคมชื่อว่ากระชังคละถัดจากนั้นไปมีบ้านชื่อว่ามหาสารคามมหาสารคามไม่ใช่แถวโน้นนะครับไม่ใช่ใกล้กลร้อยเอ็ดนะคนละที่กันนะครับคือถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตะชนบทร่วมในก็เป็นมชิมะประเทศถ้าในทิศอีสานนะครับตะวันออกเชียงเหนือนะก็มีแม่น้ําชื่อว่าสารวดีถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตะชนบทร่วมนายเป็นมชิมชนบท ถ้าด้านที่ใต้อ่ะก็มีนิคมชื่อว่าเสตะกันนะถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจชันตะชนบทารวมในเข้ามาก็เป็นมัชิมะชนบทนะครับอ่าด้านทิศเหนือมีภูเขาชื่อว่าอุสีระทชะนะครับถัดจากนั้นไปก็เป็นปัจจันตะชนบทร่วมในก็เป็นมัชิมะชนบทนะสำนวนถ้าเราจะอุปมาเปรียบง่ายๆนะถ้าหากว่าทิศทิศเหนือก็ของของภาคของประเทศไทยก็ได้แก่ เชียงรายนะครับเลยออกไปต่างประเทศแล้วนะร่วมในมาเนี่ยเป็นไทยนะครับทัติศีสานก็เหนือก็อีสานก็เช่นแถวอะไรนครพนมหรือว่าน้องคายหรือว่าอุบลราชธานีมุกดาหารนะนะเลยออกไปนี่เป็นลาวนะครับเข้ามานี่จึงเรียกว่าไทยถ้าตะวันออกก็เช่นจังหวัดตราดนะครับถัดออกไปเป็นขเขมรแล้วนะไม่ใช่ไทยถ้เข้ามานี่จึงเป็นประเทศไทยถ้าทางใต้ก็สุงไหงโกลกนะครับ นี่ถ้าออกไปก็มาเลแล้วนะไอ้เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเป็นทาคตะวันตกก็กาญจนบุรีนะถัดเข้ามาเนี่ยเป็นไทยออกไปนั้นเป็นพมา่าเนี่ยนะครับก็จะอุปมาให้เห็นว่าเออบริเวณทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าประเทศไทยถ้าหากว่าไอ้มัชชิมะมัชชิมะประเทศอย่างที่กล่าวไปก็ลักษณะนั้นนะครับให้เห็นภาพ น, นะทีนี้มิใช่แต่พระตถาคดเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น พระประเจกพุทธเจ้าพระคราสาวกพระสีติมหาเถระพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาพระเจ้าจากักรพรรดิและพราม์ครือหาบดีผู้มีหลักฐานคือคนร่ำรวยจริงๆนะครับย่อมบังเกิดในมัชิมะประเทศนี้เหมือนกันนะครับก็ในพระสูตรนี้ได้นัยะที่พระตถาคตวาระอย่างเดียวด้วยสา ม, มารถแห่งสัพพะตะในนะครับในพระสูตรนอกนี้ได้นัยะด้วยาสา ม, มารถแห่งเอกเทศในนะครับันนี้พูดแบบ เอาพระพุทธเจ้ามาก็เท่ากับพูดอย่างอื่นไปด้วยเบ็ดเสร็จหมดนะครับขออนุญาตถ้ายุคนี้เนี่ยถ้าเราไปเกิดในมัชชิมประเทศแน่ใจหรือครับว่าจะได้เรียนจะได้ศึกษาจะได้อ่านพระไตรปิฎกอย่างนี้นี่ยัอันนี้หมายพูดถึงคนมีคุณธรรมนะครับไม่ต้องพูดถึงเราอะไรเราก็มันห่างมาขนาดนี้แล้วนะครับ คือ <C ür> แต่ว่าพูดถึงผู้ที่มีคุณธรรมจริงๆนะครับมีบอย่างคุณสมบัติอย่างที่กล่าวไปหมดเมื่อกี้เนี่ยนะบ<ม>ุคคลสามประเภทถ้าจะเกิดเกิดที่อิ น, ดอนเดียเท่านั้นนะครั บ, รบแต่พูดถึงยุคโนู้นนะครับยุคนู้นเขาก็ทํางานประสบความสําเร็จได้ดีจริงแต่ยุคนี้อะไรครับกระงองกระเง่งกระงองกระเง่งพอไปวันๆหนึ่งเช้าวถ้วยเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้กว้างขวางแพร่หลายอะไรนะครับที่จริงอยู่นะครับอาจจะว่าโบสอาจจะเยอะขึ้นนะครับ ที่ดินวัดอาจจะมากขึ้นแต่ว่าศาสนาก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรมากมายนกักเพราะสังเกตดูจากศีล น, นะครับเบื้องต้นศีลก็ไม่ค่อยบริบูรณ์นักนะครับไม่ต้องกล่าวถึงจิตติศึกษาหรือปัญญาศึกษาแล้วก็ถามง่ายๆว่าสำนักที่สอนคําสอนตามพระไตรปิฎกจริงๆก็มีกี่แห่งเองนะครับที่เหลือก็เป็นอัตโนมัติของเจ้าถิ่นเจ้าที่นะเจ้าถิ่นเจ้าที่มีความรู้ความเข้าใจยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นซ ส, ส่วนใหญ่นะครับ ก็ถ้าพูดแบบในยุคนี้ก็ดีกว่านะครับถ้าพูดยุคนี้นะแต่ถ้าพูดสมัยก่อนเข้ามองพวกเราก็พวกพวกมีราขะนะครับเพราะาอารหันต์ที่อยู่อินเดียเนี่เวลาจะมาเนี่ยก็อาจจะไขควงหลายตลบอยู่เหมือนกันนะครับมาแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับก็คิดดูนะไม่อ่านหนังสืออักษรยังไม่มีเลยสมัยก่อนหน้านั้นนะครับอักษรไทยก็ยิ่งมามีไม่นานนี่เองนะครับสมัยพ่อคุณรามคําแขงเนี่ยไม่กี่ร้อยปีเองเพราะฉะนั้น แต่ถ้าถ้าจะเกิดยุคนี้ก็ควรเกิดประเทศใดก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อินเดียก่อนนะครับนะครับอาจจะไปรม่า ก, ก่อนก็ได้นะครับหรือไทยก่อนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับแม้คำทั้งสองว่าอุปัชมานาอุปัชฌันตินี้เป็นคำที่กล่าวให้แปลกออกไปเท่านั้น เพื่อทราบอ ธ, าธิบายในคํานี้อย่างนี้ว่าบุคคล3ประเภทเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนมิใช่เกิดขึ้นด้วยเหตุอื่นนะครับหมายว่าท่านนี้เกิดเพื่อความสุขแก่มหาชนจริงๆนะครับคนที่ว่าเหล่าเนี่ยนะเพราะในคําว่าอุปัชมานะอุปั ช, ชันตินี้ใครๆไม่สามารถจะเปลี่ยนคือจะห้ามลักษณะแห่งศัพท์อันนี้ก็ขยายเรื่องศัพท์นะครับอีกอย่างหนึ่งบุคคลประเภทนั้นชื่อว่าจะอุบัติ ชื่อว่ากําลังอุบัติชื่อว่าอุบัติแล้วเพราะฉะนั้นเพืงทราบความแตกต่างแห่งกาละดังนี้แค่ไหนครับชื่อว่าจะอุบัติแ ค, ต แ, คต แ, นะแค่ไหนชื่อว่าวกําลังอุบัติแค่ไหนชื่อว่าอุบัติแล้วเอาพูดถึงพระพุทธเจ้านะแค่ไหนชื่อว่าจะอุบัติแค่ไหนชื่อว่ากําลังอุบัติแค่ไหนชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับบอกว่าพระตถาคตเจ้านะครับเมื่อทรงบําเพ็ญมาหาพิณิหารนะคือตั้งความป่ารถนาแล้วก็แสวงหาพุทธกรลกฐธรรม ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงบริจาคมหาบริจาคทั้งห้าทรงบำเพ็ญยาตัทจริยายางโลกัตทจริยาพุทธัทธจริยาให้ถึงที่สุดแล้วบำเพ็ญบารมีทั้งหลายสถิตยอยู่ในดุสิตพิภพจุติจากดุสิตพิภพนั้นแล้วทรงถือปฏิสนธิในภพสุดท้ายประทับอยู่ในถ้ำกลางเรือนสเสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงบำเพ็ญความเพียรอย่างใหญ่หลวง มีพยานแก่กล้าสเสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลทรงกำจัดมานและพลมานในปฐมยามทรงละลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนคือปุเพนิวาสานุสติยานในมชิมยามก็ทรงชำระที่พจักสุในปัชิมยามทรงยั่งลงสู่ปฏิจจสมุบาททรงพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยอนเนกประการ ทรงแทงตลอดโสดาปฏิมักจนถึงทําให้แจ้งอนาคามีผลอันนี้ชื่อว่าจะอุบัติเพราะช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ชื่อว่าพระธรราคตอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าจะอุบัติเท่านั้นเองจะเกิดขึ้นนะแค่จะเกิดขึ้นนะแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรในขณะอรหัตตมักขจิตชื่อว่ากําลังอุบัติกําลังจะ ก, กำลังเกิดขึ้นนะครับคือในขณะอรหัตตมักขณะเดียวชื่อว่ากําลังเกิด แต่ในขณะอรหัตตผลชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับพระพุทธเจ้านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกขณะที่อรหัตผ ล, ลจิตของพระองค์เกิดขึ้นนะครับจียงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกิจคือการยังอิทธิวิธีเป็นต้นให้เกิดขึ้นตามลําดับเหมือนภาษาวกทั้งหลายแต่ประมวลกองแห่งพระพุทธคุณแม้ทั้งหมดชื่อว่าหลั่งไหลมาพร้อมด้วยอรหัตตมักนั่นเองนะครับคุณธรรมทั้งหลายก็บริบูรณ์ประมวลมาหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งสามประเภทเหล่านั้นจึงชื่อว่าอุบัติขึ้นแล้วในขณะแห่งอรหัตผลจิตเพราะกิจทุกอย่างบังเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ตรัสว่าอุปัชติทรงหมายถึงขณะแห่งอรหัตผลจิตนะครับหมายถึงว่าพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นในขณะอรหัตตผลจิตของพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะถ้าภาษาวกล่ะภาษาวกผู้ขี่นาศพนะครับ สร้างสม บ, บุญญาสมพานที่เป็นเหตุแห่งสาวกโพธิยานบำเพ็ญตะปัจจาคตะวัดวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับอันเป็นบุรภาพประโยคนะครับคือความประพฤติแต่ดั้งเดิมบุพพิจริยาความประพฤติแต่ก่อนบังเกิดในภพสุดท้ายรู้เดียงสาตามลำดับแล้วเห็นโทษในสงสารตั้งใจบรรพชายังบรรพชาให้ถึงสุดยอดได้บวชนะครับ บวชแล้วก็บําเพ็ญศีลาที่คุณเป็นต้นประพฤติสมาทานทุดงคธรรมมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นนะอย่างยานทั้งหลายให้เกิดแล้วเริ่มตั้งวิปั ส, สนาแม้เมื่อบรรลุซึ่งมักเบื้องต่ำนะครับจนถึงอนาคามีมักอนาคามีผลเนี่ยชื่อว่าจะอุบัตินะครับอันนี้พูดถึงพระพระขภาษาวกนะนะเช่นภาษาริบุตรเนี่ยตอนที่ท่านบรุษ อ, อ, อนาคามีมักอนาคามีผลอย่างงี้ชื่อว่าเมื่อจะอุบัติ ในขณะแห่งอรหัตตะมัคจิตชื่อว่านะจึงจะชื่อว่ากําลังอุบัตนะครับอรหัตตะมัคของท่านะนะแต่ในขณะแห่องอรหัตตผลจิตชื่อว่าท่านอุบัติแล้วนะครับทีนี้ถ้าพระเสขะล่ะนะครับพระเสขะนะครับคือผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับ <müs? S 1> ส่วนพระเสขะตั้งแต่ปุรภูปนิสัยจนถึงโคตรภูยาณเมื่อจะอุบัตนะครั บ, นรบนในขณะแห่งมัคจิตชื่อว่ากําลังอุบัติ จำเดิมแต่ขณะแห่งปฐมผลนะครับคือพลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะชื่อว่าอุบัติแล้วนะครับด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นอันข้าพเจ้ากล่าวถึงเนื้อความแห่งบททั้งหลายว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้เมื่อจะอุบัติย่อมอุบัติเกิดขึ้นในโลกดังนี้ไว้สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีปุตุชนอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงพระ อรหันพระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่สองก็ผ้าอรหันบุคคลประเภทที่สก็ตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปนะครับบุคคลสาประเภทนี่นะบท น, นี้ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยในบทว่าพระหูชนะหิตายะต่อไปบทว่าพระหูชนะหิตายะความว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะมหาชนชนเป็นอันมากบทว่าพระหูชนะสุขายะความว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน โลกานุกรรมปายะความว่าอาศัยความอนุเคราะห์สัตว์โลกนะครับเขาอนุเคราะห์สัตว์โล ก, ก น, นะนะเอ๊อทีนี้ถามว่าเอ๊อสัตว์โลกประเภทไหนล่ะตอบว่าประเภทที่สดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าแล้วแทงตลอดธรรมะดื่มน้ำำมําอมฤตนะครับเอาประเภทพวกที่บรรลุเป็นเกณฑ์นะครับไอ้ที่ว่าเพื่ออนุเคราะห์โลกเนี่ยนะเอาเฉพาะพวกที่จะบรรลุทำได้ยกตัวอย่างเช่น พรมสิโกรธมีพระอัญญาโกลธัญะเป็นประมุขแทงตลอดธรรมะนะครับคือบรรลุอริยสัจด้วยการแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แทงตลอดธรรมะนะครับจนถึงทรงแนะนำสุภาพะปริภาชกให้บรรลุด้วยอาการอย่างนี้ก็นับไม่ท่วนนะครับคือท้านนับตั้งแต่แรกตรัส จนถึงเรจนถึงสุดท้ายคือดับขันปริณิพานเนี่ยนะครับสูตรสุดท้ายที่แสดง น, นะครับหาประมาณไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่นะครับที่บรร ล, ลุอริยสัจเนี่ยนะครับแต่เชื่อไม่ไม่มีเราอยู่ในนั้นสักคนเลยที่นับไม่ได้เนี่ยนะครับไม่มีเราอยู่เลยนะครับ เ, 100เลือกเพราะลหลุดมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะไม่งั้นไม่หลุดโลกมาจนถึงบัด น, นี้หรอกว่างั้น หรือว่าสัตว์ที่บรรลุธรรมมาี่สมัยในฐานะทั้ง4ี่เหล่านี้คือในเวลาแสดงมหาสมยสูตรหรือว่าในเวลาทรงแสดงมงคลสูตรจุลราหุโลวาทาสูตรและก็สม จ, จิตตสูตรไม่มีกำหนดจำนวนนะครับว่าบรรลุเท่าไหร่นะแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้ดังั้นการบังเกิดแห่งพระรหันตสาวกและพระเสขบุคคลก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพืพ่อทราบอาธิบายเช่นนี้ด้วยสามารถแห่งสัตว์ผู้บรรลุปฏิเวทนะครับคือด้วยเทศนาที่พระธรรมเสนาบดีเป็นต้นนะครับพระเทระทั้งหลายผู้เป็นคลังแห่งพระธรรมแสดงแล้วบ้างเช่นพระนนแสดงนะด้วยสามารถแห่งสัตว์ผู้แทงตลอดด้วยเทศนาที่พระมหินเถระเป็นต้นแสดงแล้วในการต่อมาด้วยสามารถแห่งสัตว์ ทั้งหลายผู้อาศัยคําสอนดํารงอยู่ในทางสวรรค์และพระนิพพานในอนาคตการจนถึงวันนี้คือต่อแต่นี้ไปนะครับก็กล่าวว่าโหพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงผู้ที่บรรลุแล้วก็หาประมาณไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ารมคําสอนที่ดํารงอยู่ในโลกที่ภรริยาเจ้าทั้งหลายช่วยกันดํารงมานี่นะครับ พระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอุปนิสัยแห่งทางสวรรค์และก็เป็นอุปนิสัยแห่งผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับในภพต่อๆไปในชาติต่อๆไปหรือว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจะมาเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีผู้บรรลุอีกหาประมาณไม่ได้นี่นะครับเรียกว่าโลกาหนุกรรมปายะเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์จริงๆนะครับเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่อนุเคราะห์ประเภทแรกก็คืออนุเคราะห์ประเภทผู้ที่จะบรรลุในชาตินั้นก่อน ของเราก็ไม่เห็นอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าได้สะสมอุปนิสัยแล้วนะครับดีกว่าเป็นพวกชาวเขาชาวดอยไปตลอดนะครับนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมไปบ้านผมทีไรเนี่ยผมนึกเหมือนกับผมไปประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับแหมมันดูสลดหดหูกระจิตกระใจจะอ่านพระธรรมยังไม่มีเลยนะครับเห็นแล้วง้อยนะครับงั้นไ ป, ไปต่างประเทศยังจะดูม่วนกว่าเยอะนะครับแต่ไปบ้านนี่ง้อยนะครับ มีคร่ายเห็นแล้วนะครับนั่งทําตาปลบปรบเปรบเท่านั้นเองศีลอยารักษาไม่ได้สักคาเลยนะครับมันเหมือนช า, าชาวป่าชาวดอยจริงๆนะครับมีศรัทธาก็ยังชั่วศรัทธาก็ายังไม่มีอีกนะครับให้ทานนี่ก็โอยนะครับผมยังจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินบินทบาทไม่ต้องล้างบาทเลยนะครับถ้าบาทสม่ไหก่อนนีไม่ต้องล้างบาทเลยกลับมาถึงเช็ดเก็บได้เลยนะครับเพราะไม่มีใครใส่ดีบานญาตินะครับเพราะยังยังมีที่ฉันบ้างนะครับ ไม่งั้นก็อดครับเห็นว่าเออนะครับหยาดหยาดทั้งหลายนี่มันขนาดนั้นเลยนะครับ อ, อกีกอย่างหนึ่งบทว่าพระหูชนะหิตายะความว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากอธิบายว่าทรงชี้หิตสุขทั้งที่เป็นปัจจุบันและสัมปรายภพแก่ชนเหล่านั้นด้วยพระปัญญาสมบัตินะครับนี่เนี่ยพระองค์ทํากิจ คือด้วยปัญญาของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับทรงชี้ประโยชน์สุขปัจจุบันประโยชน์สุขในโลกหน้าด้วยปัญญาของพระองค์นั่นเองบทว่าพระหูชนะสุขายะความว่าเพื่อประโยชน์ ส, ชนสุขแก่คนเป็นอันมากอธิบายว่าทรงมอบซึ่งอุปกรณ์แห่งความสุขด้วยจากข้าสมบัติบทว่าโลกานุกรรมปลายะความว่าเพื่อทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกอธิบายว่า อันชาวโลกได้รับการรักษาคุ้มครองดุดมารดาบิดาด้วยเมตตาสมบัติและกรุณาสมบัติของพระ อ, องค์ันนะบทว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษานางความว่าในพระสูตรนี้วาระแรกทรงแสดงการอุบัติขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าเพื่อการบรรลุนิพพานมรรคและผลแห่งสัตว์โลกเหล่านั้นโดยถือเอาเวนยสัตว์ที่เป็นพระพระบุคคลนั่นแหละ ด้วยเทวศัพท์และมนุษยศัพท์นะครับที่บอกว่าอัธายะหิตายะสุขายะเทวมนุษยานังเนี่ยนะครับก็เพื่อสรรพสัตวนะ์ ท, ที่ที่มีอัฐยาศใส่นะแต่ในวาระที่สองและที่สามคำว่าอัธายะหิตายะสุขายะเทวะมนุษยานังเพื่งประกอบด้วยสา ม, มาแห่งพระอรหันต์และพระเสขบับุคคลบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทว่าอัธายะ มีพระธารมทบายว่าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเพื่อพระนิพพานนะครับอัตถายะเนี่ยนะเพื่อประโยชน์หิตายะนี่เพื่อเกื้อกูลก็เพื่อประโยชน์แก่อริยมรตที่จะให้สําเร็จนิพพานนั้นจริงอยู่ขึ้นเชื่อว่าประโยชน์เกื้อกูลที่ยิ่งไปกว่ามรตที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานนั้นไม่มีนะครับด้วยบทว่าสุขายะมีพระธารมทบายว่าเพื่อประโยชน์แก่พระสมมาบัติเพราะไม่มีความสุขอื่น ยิ่งไปกว่าพระสมาบัตินะครับสุขที่จะต้องสเสวยเนี่ยนะครับสุขที่อาศัยเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะยิ่งกว่าพระสมาบัติไม่มีแล้วสมดังที่ตรัสไว้ว่าสมาธินี้เป็นทั้งความสุขในปัจจุบันเป็นทั้งมีสุขเป็นผลในการต่อไปเนื้อความแห่งบททั้งหลายเป็นต้นว่าตถ า, าคตข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในหนหลังนะครับในสูตรไหนครับในวิตตสสูตรนะครับเขมะวิตกกับ เขมาวิต ก, กับปวิเวกกวิตกนะครับในปุตตสูตรนี้อธิบายเรื่องไตรสารณาคมนะเพิ่งทราบวินิจฉัยในบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนต่อไปเนี่ยนะอธิบายก็อิท่าตถาคโตโลเกนะครับตถาคตอธิบายแล้วทีนี้ก็รหังทั้งหลายเป็นต้นก็อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้วิชาจารณะนะครับดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์คือประกอบด้วยวิชาสามตามนัยยะที่กล่าวแล้วใน พยเพรวะสูตรบ้างวิชา3ได้แก่ระลึกชาตินะครับระลึกชาติได้2องจุดตูปปาตาญาณ3าก็อาสวรรค์ยานส่วนวิชา6ก็มาด้วยสามารถแห่งอภิญญา6กบ้างวิชา8บ้างถ้าวิชา8ก็มาแล้วในอภัพทสูตรนะครับทีคณิกายนะครับดูได้นะอภัพทสูตรในทีคณิกายศีละขันธวรัชนะครับเจรณะธรรม15ประการมีศีลสังวรเป็นต้นไม่สาธารณะทั่วไปแก่สาวกอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าวิชาจารณะสามปันโนนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสุขโตเพราะเสด็จไปงดงามบ้างเสด็จไปสู่ที่ดีบ้างเสด็จไปโดยชอบบ้างและก็เพราะตรัสโดยชอบบ้างเสด็จไปงดงามก็คือไปด้วยอริยมรรคแล้วก็ไปสู่อมตะนิพพานเสด็จไปโดยชอบคือไม่เป็นอตตะกิละมัานุโยคไม่เป็นการมสุขลิกานุโยค ไม่เป็นอุเชททิฐิไม่เป็นศาสิสัินะครับหรือว่าพระองค์นี้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายแล้วก็ตรัสวาจาโดยชอบนี่หมายถึงสุขโตส่วนพระนามว่าโล ก, กวิทูนั้นเพราะทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงนะครับโลกหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะโลกสามเนี่ยนะพระองค์ทรงพนามว่าอนุตรโรเพราะไม่มีผู้ยอดเยี่ยมกว่าผู้ที่จะยอดเยี่ยมกว่านี้ด้วยศีลเป็นต้นไม่มีแล้ว ทรงภาวนาว่าบริสธรรมสารถิเพราะยังบุรุษที่ควรฝึกคือบุรุษที่เป็นเวนยศัตว์ให้ระลึกได้ได้ไดแก่ทรงแนะนำนะครับคือแนะนําให้สามารถบรรลุมรคผลได้นะครับทรงภรวนาว่าศรัทธาเพราะทรงพร่ำสอนตามสมควรด้วยทิฏฐธรรมมิกระประโยชน์สำปรายิกระาประโยชน์และประมัทิตยประโยชน์นะครับคือทรงแนะนําประโยชน์ทั้งสามแก่สัรพสัตว์ ทรงภาวนาว่าผู้โธเพราะตรัสรู้ด้วยพยานที่เกิดขึ้นเองโดยอาการทั้งปวงเพื่อเวในทั้งมวลนะผู้โธเนี่ยนะครับนี้เป็นความสังเขปในบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนเป็นต้นส่วนความพิสดารควรถือเอาจากคำภีวิสุทธิมัพนะครับเพราะว่าผู้ที่เรียบเรียงคัมภีอิติวุตกาเนี่ยนะครับประมาททีปณีอัตถกถาอิติวุตกาเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียบเรียงดีกลายครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอิติวุติกะท่านเป็นอัตถกถาถ้าวิสุทธิมัชท่านเป็นดีกานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะโยนไปให้วิสุทธิมัชนะครับแล้วก็เป็นผลงานของท่านด้วยในการเรียบเรียงดีกานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีกาวิสุทธิมัชมาตรฐานขนาดไหนบอกมาตรฐานเท่ากับอัตถกถาอิติวุติกะเพราะว่าผู้เรียบเรียงคนเดียวกัน